เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่พระบาลีที่เป็นปัจฉิมวาจารโดยเฉพาะสุดท้ายคือพระเจ้าให้พวกเราคิดว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันพุทิพานก่อนที่พระองค์จะไม่ตรัสจะไม่พูดอะไรอีกแล้วเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าพวกเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารร่างกายนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อาดูประโยคน์นี้ก่อนวยฏธรมมสังขารตัวสังขารคำว่าสังขารคืออันไหนอ่ะที่พระเจ้าหมายถึงอันไหนฮะคือตัวเรานี่แหละใช่ไหมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคาว่าเสื่อมคืออะไรฮะเสื่อมก็คือหายยนะ หายนะคืออะไรคือวิบัติวิบัติคืออะไรวิบัติก็คือเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปลวนไอ้เสื่อมสิ้นพิบัติแปรปลวนหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามันแย่ลงทุกวันตัววันแค่เสื่อมไปตามลำดับนะแค่เสื่อมไปตามลำดับเสื่อมไปตามลำดับคือเสื่อมที่เราสามารถเห็นได้เสื่อมตามลำดับ เสื่อมที่ผมเสื่อมที่ตาเสื่อมที่หูเสื่อมที่ปากเสื่อมที่จมูกเสื่อมที่กายเสื่อมที่สัญญานี่เสื่อมไปตามลําดับนะเหมือนคําที่ว่าอะไรที่ดํากลับขาวที่ยาวกลับสั้นที่มั่นกลับคอนที่หย่อนกลับตึงที่ซึ่งกลับเสื้ไอ้นี่หย่อนตดำไอ้นี่นี่นี่ว่าไปตามลําดับที่ดํากลับขาวคืออะไรเก่งเนี่ ที่ดำกลับขาวคือผมที่ยาวกลับสั้นคืออ๋ออ๋อสูงกลับต่ำคืออะไรสูงกลับต่ำดำกลับขาวยาวกลับสั้นสูงกลับต่ำคืออะไรอ๋อลำตัวมันจะหดลงหดลงหรือใครว่าตัวเองไม่หดเออลำตัวจะหดลงสูงกลับต่ำดำกลับขาวยาวกลับสั้นตาเออ ที่มั่นกลับคลอนกลับคลอนคือฝันใช่ไหมใ น, ใ, ในของใครฝันแท้บริสุทธิ์เนีที่มั่นกลับคลอนที่ย้อนกลับตึง oh. เออมันเป็นที่เดียวแหละ <laughs> ยิ่งตึงยิ่งแย่นอกนั้นมันยอนกันไปหมดนะมีหูอย่างเดียวแเลยที่ว่าคนอื่นสวนกระแสะเขาอ่าที่ย้อนกลับตึงที่ซึ้งกลับเซะคือ สัญญามสมองน ะ, ะสัญญาคือความจำต่างๆรวมไปถึงสมองกันด้วยอันนี้ เ, เรียกว่าเสื่อมไปตามลำดับแต่มันมีเสื่อมตามลำดับอย่างเดียวไหมไม่มีวัยธรมมาสังขาราความเสื่อมสังขานี้มีความเสื่อมเป็นธรรมดามีทั้งเสื่อมฉุกเฉินเสื่อมอุกฤษ เรียกว่า ICU CCU ฉุกเฉินแล้วก็อายุรกรรมไ<ม>อโอพ p ดี á, PD, ปกตินี่มีครบเสื่อมเนี่ยเสื่อมเนียเสื่อมไปตามลำดับคือนัดล่วงหน้าใช่ไหมแต่ไอแบบแบบอุบัติเหตุแบบฉแบบุกเฉิน CCU ICU นี่มีครบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเครื่องหมายว่าเราเนี่ย จะสิ้นสุดลงตรงไหนแต่ที่แน่ๆมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนตะเกียงดอกหนึ่งอาศัยน้ำและน้ำมันเสื่อมปกติของน้าของตะเกียงก็คือว่าในระหว่างที่ควยมันติดอยู่น้ำมันก็จะร้อยหรอลงไปเรื่อยๆไสยก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆไอ้นี่เรียกว่าเสื่อมไปตามลาดับ เมื่อใดที่ไส้หมดดับเมื่อใดที่น้ํามันหมดดับเห็นไหมไอ้ น, นี่เขาเรียกว่าเสื่อมไปตามลําดับแล้วเราพิจารณาดูสิถ้าเราจุดตะเกียงไว้ดวงหนึ่งนะ่ะโอกาสที่จะเกตะเกียงดวงนี้มันจะดับจนกว่าหมดไส้หรือหมดน้ํามันเนี่ยแล้วมันมีเหตุอย่างอื่นสามารถทําให้ตะเกียงดวงนี้ดับไหม มีตลอดเวลาไหมมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยไอ้ที่อยู่ถึงแก่เนี่ยน้อยถูกปะละ่ะเออให้อยู่แบบแก่หอมหลังโกงโคงกดหน้าเบียกหน้าหักจะมูกหลุมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีน้อยแต่ได้มีใครอยู่สักร้อยหนึ่งนี่นะโอ้โหทอ อายุวัตนมงคลครบร้อยปีโอ้โห ข, ของจีนถ้าใครหารศพใครที่เกินร้อยสามปีลงไปก็ใส่แดงเลยอ่ะฉลองอะ่ะถือว่าแล้วมันยากมันยากเพราะส่วนใหญ่มันไปด้วยเหตุอะไรฉุกเฉินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่ากรมตัดรอนเหมือนตะเกียงถ้ามนติดอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะลมพัดก็ดับได้ของตกใส่มันก็ดับได้ อยู่ๆมันก็ล้มเด็กเดินสะดุดอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเหตุที่จะทําให้มันดับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกขณะทุกขณะที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ตายที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะย่อยยับได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นประโยคต่อไปว่าเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราอย่างนี้แล้วชีวิตสังขารของเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ว่ามันเป็นสิ่งที่เสื่อมเป็นสิ่งที่ย่อยยับเป็นสิ่งที่พีนาตแปรปรวนได้ตลอดเวลามันจึงในขณะที่มันยังเป็นอยู่เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากพอมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมันมีน้อยนิดมันจึงต้องไปดูพระพุทธพจน์ทบทสุดท้ายว่าอัปามาเดนะสัมปเดตะไอ้เธอถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อยาประมาทนะทีนี้ไอ้ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าคําว่าอยาประมาทนะย่าประมาทน ะ, ร ะ, นะเราจะต้องไม่ประมาทตรงไหนั้นเอาไว้มันตรงตรงชื่อๆเข้าไปเลยคําว่าอยาประมาทนี่หมายความว่าให้ธนุตนมไม่ใช่หมายความว่าให้ธนุตนมตัวดยง่ายดีใครไม่มีคู่ก็ไปหาเชะใครจนอยู่ก็รีบไปรวยเชื่อใครไม่มีบ้านก็ไปหาสร้างเชื่อไม่ใช่อย่างนั้น มันไม่ใช่อย่างนั้นยาประมาทในที่นี้คื อ, อยาประมาทในศีลยาประมาทในสมาธิยาประมาทในปัญญาพูดได้สั้นก็บอีกอยาประมาทในการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องเจริญสติฝึกฝนให้จิตนี้มีความภัยบุ์ของสติปัญญาให้เร็วที่สุดอย่าช้าอย่าช้านั่นนั่นคือของพระพุทธเจ้า ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้มันจะไม่มีเรื่องราวอะไรนอกเหนือไปจากนั้นหรอกเราก็จะมุ่งมั่นมีฉันทะต่อการที่จะเจริญฝึกฝนจิตภาวนาอย่างต่อเนื่องไปนี่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยเอาอย่างนั้นนะพอไปเห็นข้างนอกได้ยินข่าวพระผู้ใหญ่เกิดเรื่องอย่างเง้นอย่างนี้เคยใส่บาตรอยู่ไม่สบายใจไม่ใส่ไง เมื่อวันก่อนออไปที่อายุรเวทที่วิยาการุณชั้นเจ็ดอ่ะอมตะมาก็เดินไปนะทีนี้คนขนั่งเขานั่งดูข่าวพระพอดีอเราก็เดินไปพอเราเดินไปเสร็จคนมันนั่งนั่งจ้องดูดูหน้าจอเสร็จแล้วมันหันมามองหน้าเรา เราก็หันไปมองหน้าเขาโดสบตากันเขาก็รีบขันหลับกลบแล้วก็หันกลบไกลแล้วก็ไปคุยกันทรวงต่อทรองไอ้เราก็เดินไปเลยผมมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็จะตกกระแสไงนี่ตอนนี้เราได้ยินคนแสดงตัวออกมาเพื่อที่จะปฏิรูปพระศาสนา ออกมาเพื่อที่จะจัดการประสงค์ออกมาเพื่อที่จะจัดระบบระเบียบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำไปเยอะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาทําเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าวางไว้เสร็จหมดสิ้นแล้วปัญหาคือเราไม่เชื่อพระองค์ถ้าเราอภปมาเดนะสัมปเดถาว่าพวกเธอจงอยู่ถึงให้ถึงด้วยความไม่ประมาทเถอะจะไม่เกิดปัญหา แล้วยิ่งเปิดอืมเปิดโอแล้วเมื่อก่อนที่เราเดินมาได้ทุงถวันนี้นะเพราะพระจัดการกันเองเพอพระมีปัญหาก็เลยมีปัญหาและปัญหาเวลามันเกิดเกิดเพราะคารวะข้ามามีส่วนในการจัดการทั้งนั้นนะและในอนาคตข้างหน้าเขาเริ่มสร้างกระแสขึ้นมาว่าสังคมพระเนี่ยอ่อนแอเพราะฉะนั้นจะให้คารวะประชาชนทั่วไป พวกท่านพวกเศรษเบทุนทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาจัดการพระเพื่อให้อะไรเพื่อให้เกิดความเจรหบยั่งยืนสถาวรนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นช่างมันเถอะเราเอาตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยอปมาเดนะสัมปะเดตะถ้าไม่ประมาทในศีล ไม่ประมาทในการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเจริญสมาธิฝึกฝนสติปัญญาแล้วไม่มีปัญหาอะไรอาจมาไม่กังวลว่าศาสนาจะหายไปจากโลกเพราะพุทธศาสนาคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นสัจจะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัจจะอย่างธรรมชาติที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงในโลกใบนี้ ในธรรมชาติตั้งปวงถ้ามันหายไปเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะมีคนเข้ามาเรียกคนคนคนคนคนคนคนจนคนพบอีกแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้าอีกถูกปะละ่ะเออถ้าเกิดพุทธศาสนาของเราหายไปนัตมาไม่ค่อยกังวล น, นะถ้ามันหายไปเราอาจจะนึกภาพว่าโบสถ์ถูกทำลายศาลาถูกเป่าที่ดินวัดถูกยึดที่ธรณีสงส์หายคาว่ า, ราพระพิสุธิสมเด็มันหายไปยงไง ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นอา น, นิจจังเหมือนกันหมดอะแต่สัจจะอย่างธรรมชาติจะมีอยู่อีกไม่นานก็จะมีคนต้องมาค้นพบอริยสัจสีอีกเหตุผลเพราะอะไรเพราะในที่สุดมนุษย์เนี่ยมันจะจนอยู่กับความทุกข์เข้าใจป่าวทุกๆเรื่องของมนุษย์ในที่สุดแล้วมันจะไปสุดอยู่ที่ทุกข์ พอทุกทุกทุกทุกทุกไม่ไหวแล้วมันจะต้องหาทางออกเมื่อศาสนาพุทธหายไปกฎของธรรมชาติ้อนี้สุ้นศู์สินสนส้นสลายไปเพราะอำนาจการทำลายของวัตถุนิยมแต่ในที่สุดแล้ววัตถุนิยมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเครื่องเทคโนโลยีแบบไหนไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ได้ดับความทุกข์ไอพ้นจากใจได้ในที่สุดมันก็วกหันกลับเข้ามา เพื่อหาอะไรที่ไม่ใช่วัตถุแล้วแล้วกดีก๋ยเบื้องต้นมาไปหาอะไรลึกลับก่อนบวงชวงบูชายันนับถือจอมปลวกวัวสามขาสี่ขา <c oughs> ของแปลกประหลาดอะไรที่ออกมาไอ้กล้วยปีกล้วยเอย อ, ออกมาแล้วยาวถึงพื้นดินมั่งปีกล้วยสองหัวของพวเนี้มันก็นับถือไปก่อนนับถือไปก่อนพอมันนับถือไปนับถือไปไม่ใช่บรรดับทุกไม่ได้ มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆศา ส, สนาลัทธิต่างๆมันเกิดในโลกนี้เยอะแยะมากมายกว่าพระเจ้าจะตระทุเนี่ยเข้าใจไหมล่ะและพระพเจ้าเราเองเนี่ยที่ว่าศึกษาหมดจบคือศึกษาลัธาทธิศาสตร์ทุกแขนงพวกนี้หมดไม่มีอะไรสามารถตระทุได้ในที่สุดเจ้าชายศรีสุตตะไปปฏิบัติตามอาราธนาบทและอุทกกณ า, าบทจบสมาบัติ8ดโอ้ยมันน่าจะเรียกว่าหลุดพ้นแล้วนะเพราะความทุกข์ไม่มีนักหนานั้นมันถูกกดสยบทับไป แต่รู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ต้องม า, มาศึกษาค้นคว้าที่พระไตรของพระองค์ลึกก็ไปในพระไตรจนกระทั่งพบคนพบจัตตรู้เรียว่าอริยสัตยอันเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกเนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาบัญญัติว่าเฮ้ยไอ้นี่ทุกข์ไว้ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ทุกข์คืออะไรชาติปีทุขาชร า, าปีทุขามนําปีทุขังเป็นต้นหมายความว่า ทุกที่เกิดจากความเกิดทุกที่เกิดจากความแก่ทุกที่เกิดจากความตายเป็นสภาวะทุกขคือเป็นทุกหลักเป็นทุกเจ้าเรือนเป็นทุกประจําต่อสิ่งที่เกิดมาทั้งนั้นอ้าวมันในเรื่องของความทุกข์ทั้งปวงเราอาจจะไปอ่านหนังสือเรียนจบศาสตร์นนศาสนี่แต่ถ้าว่าเรื่องของความทุกข์ไม่มีใครพูดจริงได้พระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ดีทุกไอ้นี่ทุกไอ้นี่ทุกไม่เคย ไม่เคยมีเหตุผลแย้งย้อนแย้งกลับไปว่าไอ้ที่พระเจ้าตรัสว่านี่ทุกข์ก็ไม่ใช่มันสุขไอ้นี่ทุกข์ก็ไม่ใช่มันถุกพอศึกษาค้นว่าหาลงไปจริงๆแล้นมันก็ทุกข์อ่านะมันมีอยู่ไหมล่ะมันมีอยู่แล้วไม่มีแต่ตอนนี้เราพูดกันแบบพูดกันแบบสนุกสนานปากพูดกันแบบเหมือนรู้มาเองแต่แท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ มาสอนรอย่างนี้เราก็จะไม่ได้พูดแบบนี้เนาะอืมเราอาจจะพูดเรื่องอะไรเรื่องทุกเนี่ยโอ้ยมันทุกจริงๆเป็นหนี้เขานี่มันทุกจริงๆถ้าให้พันนาถนนนึงเรื่องของความทุกแต่ละคนนะเขียนกันเป็นเล่มเป็นคัมภีร์เลยแหละแล้วก็ไม่รู้จะหาวิธีอะไรขึ้นมาและเอกศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์คิดค้นขึ้นนี่ไม่ว่าเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ที่มีอยู่ที่เรียนกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ย มันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเศรษฐศาสตร์มันมาแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันทุกข์ใช่ไหมรัฐศาสตร์มันมาแก้ไขอะไรแก้ไขปัญหาสังคมเพราะอะไรเพราะปัญหาสังคมมันทุกข์นิติศาสตร์มันแก้ไขอะไรแก้ไขเรื่องกฎหมายเพราะอะไรความเหลื่อมลังทางกฎหมายไม่มีกฎหมายนี่เกิดปัญหาปัญหาเขึ้อก็คือทุกข์แล้วมันแก้ได้จริงไหมฮะ แกได้ไม่จริงเพราะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปลยปลวนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเอาออกมาข้อหนึ่งมาตราหนึ่งใช่ามาแก้สองปีสามปีเข้าสภา้อผาใหม่แก้อีกแล้วแก้แก้แก้เป็นกี่ฉบับไปแล้วอ้นี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อต้องการแก้ทุกข์ใช่ไหมเพื่อต้องการแก้ทุกขนะ์แต่พระพุทธเจ้าตรัสไอ้นั่นมันเป็นทุกเบตเตเร์ มันทุกเล็กน้อยเหมือนกับว่าพวกเธอทั้งหลายเลยเนี่ยจมดำปุดดำว้อยู่ในหลุมโคลนปากก็จมโคลนหูก็จมโคลนตาก็จมโคลนทั้งตัวก็จมโคลนแล้วก็ดำปุดดำว้แล้วก็ตะเกียกตะกายแย่งแข่งขันกันทำร้ายกันอยู่ในโคลนและที่ไอ้ตัวเองมาถึงมาชี้ว่า ไอ้ตรงนี้อย่าไปนะมันลำบากแท้ที่จริงมันอยู่ในไหนก็ในหลุมโคลนไอ้ตรงนี้อย่าไปนะเนี่ยมันลึกแท้ที่จริงมันอยู่ในไหนในหลุมโคลอนอืพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพเจ้าตรัรู้พบว่าอะไรรู้ไหมพบว่าเมื่อทําตัวตะเกียรตะกายขึ้นข้างบน แล้วก็ปีนไปขึ้นไปเรื่อยๆในเส้นทางที่ถูกต้องจนถึงปากบ่อปากหลุมปีนขึ้นไปอยู่ยนกระทั่งขึ้นผลเป่าแล้วสัตว์ที่มันดำผุดดำว่ายอยู่ในหลุมโคลนนั้นอพอปีนขึ้นมาอยู่บนปากหลุมแล้วอิสระเสรีภาพหายใจเข้าหายใจโอ้มีความสุขเยมันจะลงไปอีกไหมฮะมันมีอะไรข้างบนนี่ดีกว่าเยอะถูกเปล่า ถูไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าคุพระพุทธสอนมันมีอยู่จริงไหมล่ะถ้าเรานึกภาพเรื่องหลุมโกลนมีมีสัตว์จมดำผุดดำไหวอยู่ในหลุมโกลแล้วก็มีปากบ่อถ้าเรามองเข้าไปเราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปเราเห็นได้หลุมโกลนก็เป็นจริงของมันอย่างนั้นไอ้การปีนขึ้นมาอยู่ข้างบนก็เป็นจริงของมันอย่างนั้นเราจะอยู่ตรงไหนฮะเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะเอเอพอจะอยู่ตรงไหนเชิญ แต่กล้ารับรองว่าเราอยู่ในหลุมโคลนนี้มีใจปรารถนาเหมือนกันหมดในส่วนลึกคือต้องการขึ้นจากหลุมโคลนอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องการขึ้นจากหลุมโคลนคือตัวปรารถนาความสุขตัวความปรารถนาความสบายตัวปรารถนาความสงบตัวปรารถนาความอิสระนั้นความสงบที่แท้จริงต้องอยู่บนปากหลุม ความสุขที่แท้จริงต้องอยู่บนปากหลมความอิสระที่แท้จริงต้องอยู่บนปากหลมนั่นเคียดไปไหมเนี่ยฮะอันอมาต้องการให้พวกเรามีท่าทีให้ถูกต้องในท่ามกลางข่าวต่างๆทาบุญสบาทบางคนทาบุญใส่บาทมาเป็นสิบยี่สิบปี พอได้ข่าวว่ามาเต็นพระเพรผู้ใหญ่โดนจับโดนจึกโดนปลด น, นี่เมื่อวานก็ออกข่าวมาอีกแล้วจริงเท็จไม่ลูกมีอะไรภาพลา้อพวกน่าจูงจรู้สึกใจมันห่อเหี่ยวใช่ไหมใจมันฟอ่อไหมไม่น้าตาดลวงพ่อมานั่งเทศอยู่มันยังอย่างนั้นกับเขาเปล่า <laughs> เออมันมีสิทธิ์นี่มันมีสิทธิ์มันมี เพราะว่าอะไรเพราะอินทรีย์ของคนเขา้าใจยังมันแยกแยะไม่ออกว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของตัวมันไม่ได้อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของข้างนอกแต่อํานาจของอวิชชาตนาอุปาทานเพราะเราทําบุญปฏิบัติธรรมยังอยู่ขับเคลื่อนด้วยอวิชชาตนาอุปาทานเพราะฉะนั้นมันจึงเอาข้างนอกมันเป็นตัวยึด พอเอากักรนอกมาเป็นตัวยึดแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันเรื้อลังถ้าเป็นถึงชั้นนั้นบวชมาขนาดนั้นมันต้องอย่างงั้นแล้วเราเนี่ยทามาหากินเจ้ากินกรรมเราเลยอย่างนี้พอเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้แล้วแบบนี้จะทํายังไงถูกไหมนี่คือท่าทีที่ไม่ถูกต้อง เหนื่อยมันคือท่าทีที่ไม่ถูกต้องจงจำไว้ไม่ว่าจะถึงบอกไงมันมีสองสายเท่านั้นอยู่ที่เลือกถ้าเราดำเดินตามกิเลสชาติแน่นอนวัฏตะสงสารก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นถ้าเราเดินตามเส้นคุณชาติที่เป็นนิโรธวารมันก็จะดำเดินไป สู่ความสิ้นทุกข์ก็แน่นอนเหมือนกันแล้วความสิ้นทุกข์เนี่ยถ้าถ้าเป็นสองสายเนี่ยไอสายแรกก็จะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงแล้วไอชุดเนี่ยมันบอกว่าล่ะนะมันบอกแค่เครื่องหมายเท่านั้นแหะแต่มันไม่ใช่ของจริง มันบอกแก้เครื่องหมายมันไม่ใช่ของจริงเราเนี่ยไม่เอาของจริงเออเวลาเราจะนับนําสังเกตดินี่นีน่พูดแล้วก็จะพูดต่ออีกมาสังเกตเวลาพระที่หน้าตาหล่อหล่อเสียงเพราะเพราะความรู้ดีดี พวกนี้จะดังเร็วแล้วเราไปถึงเราก็จะชอบแต่พระไหนที่หน้าตาขี่เรธรรมดาธรรมดาพูดก็ไม่เป็นชาวบินทบัตกลับมาถึงตั้งบาทกวาดวัดเหมือนนั่นมาพูดใยความเรื่อยเจ้าวาดวัดอุบลพรามไม่ได้ชมนไม่มีอะไรเลยเครื่องรางของขลังก็ไม่มีเทศก็ไม่ค่อยเป็นอะไรก็ไม่ค่อยเป็นชาวขึ้นมาบินทบัตอายุแปดสิบสามบินทบัตกลับมาถึงบาทตั้งปุ๊บ กวาดขยะไอ้ลงตาแบบเนี้ยรูปสิทธิ์รูปงาไม่ค่อยมีแต่ถ้าเจ้าขึ้นมาเนี่ยนั่งเป่าหมอ้อละมุดตั้งอยู่ข้างหน้าต้องทำอะไรเราก็จะไปกัน ในท่าทีขเราเรอมันผิดเองเรอมันผิดเองด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุความสําคัญหมายด้วยอํานาจของอวิชชาตนาอุปาทานด้วยอํานาจของโบหะที่มันอุ้มไว้เรียกว่าโบหะเนยเยสุมุชิโตโมหะเนยเยสุมุชิตโตอำนาจของโบหะ เ, เ, เ, เนี่ยมันหุ้มห่อจิตของเราไวา้โดยมีนิวรณ์เป็นตัวออกมาเป็นทหารกล้าออกมา อ้นี่วอนที่มันออกมามันทําเรายัางไงเคยพูดในความหลายทีแล้วนิวอนที่ออกมามันทํำยังไงฮะมันทําให้เราอันทะกัรณามันทําให้มืดอฟังดูนะมันทําให้มืดอจักขุกัรณาทําให้ไม่มีตาอัญญนักกรณาทําให้ไม่มีญาณเอาแย่แล้วปัญญานิโรธย ดับปัญญาวิคาตปักเคียเป็นฝักฝ่ายของความคับแขนอ น, นิพานะสังวตตนิกาไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่คือนิวรณ์นิวรณ์คืออะไรคือสิ่งที่มาร่วมกับเราเพ่นพ่านอยู่เนี่ยเป็นมือเป็นแขนเป็นมือเป็นเท้าเป็นเรียวเป็นเร่งให้กับตันหาทั้งหลายเลยเนี่ยพอเราเดินทางในเรามีตันหาเป็นเพื่อน แต่ตันหามันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันจริงๆไอ้ตัวที่เป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาให้กับตันหาก็คือนิวรมาอยู่กับเราทุกขณะทุกการตัดสินใจทุกความรู้สึกเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนกันอยู่ในโลกเนี่ยไอ้นิวรตัวนี้มันทำให้อะไเรื่องเนี้ยอันทะกรณามืดอาจักขุอา จ, ากอาจากักขุกรณาบอดอะไรอย่าอัญญาะการณาโงปัญญา ปัญญานิโรธิยาไม่รู้วิคาตะปัจขยาคับแ้นอนิพานะสังวัตตนิกาไม่มีโอกาสเป็นอิสระเนี่ยตัวนิวัณมันทำอยู่อย่างนี้พอทำอยู่อย่างนี้มันก็ไปลงในไหนลงในสัญญาของเรา สัญญาของเราเป็นไงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างนั้นมันอย่างโนง้นมันอย่างโน้นมันอย่างโน้นมันอย่างโน้นมันอย่างโน้นไปว่าไปเรื่อย อ, อว่าไปเรื่อยอย่างตอนนี้เนี่ยมีกระแสออกมาว่าไปอ่านหนังสือโอ้โอระจับเงินไม่ได้ปัญหาอยู่ที่การจับเงินเพราะฉะนั้นจะต้องออกกฎหมายมาห้ามระจับเงิน ไอ้นี่ไม่ได้แก้ตัวนะเว้ยแต่เรากำลังจะทําอะไรเห็บมัดตัวหนึ่งมันเกาอยู่ที่หลังควายแล้วเราจะเอาปืนเอ็มปืนอาก้าปืนกลยิงเข้าไปที่หลังของควายตัวนี้กระนารัวไม่เลี้ยงเห็บมันตายบอกตายไม่ตายไม่รู้ไม่มีความหมาย แต่ควายทั้งตัวตายเข้าใจไหมเอออันนี้พูดให้ออกอากาศด้วยเผยแพร่ไปเลยนนเด็กอา้ามีหมาวัดตัวหนึง่งมันกำลังกัดจีวอน กำลังกัดจีวรนะเด น, นไปถึงไล่หมาหลวงตาบอกเฮ้ยไปไล่มันทำไมเดนนี่ไม่มีเมตตาไม่สับรวมเดนถอยออกมาตกล ง, งว่าไงวัดทั้งวัดพระไม่มีจีวรห่มหมากาัดหมดมันโง่หรือฉลาดเนี่ย อันตมนี่เกิดปีสองพันร้อยเจ็ดบวชปีสองพันรอยี่สิบเจ็ดบวชไม่มีความศรัทธาที่จะบวชเลยแล้วก็ไปบวชอยู่ที่อำเภอชฉวงจางหวานครศรีธรรมราชบวชแก้บนวงนงั้นเถอะอาในระหว่างที่เราบวชเราเข้ามาถึงปับ๊บมีโบสถ์วัด มีสลามีกุติมีไฟฟ้า ม, นนมีนั่นมีนี่เข้าไปถึงปับ๊บก็ามาถึงบวชสิ่งที่อยู่นัแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเป็นปกติเลยคือการการน้ำร้อนการใช่อย่าง้น อ, อย่างนี้ปกติหมดเพราะมันเป็นอย่างนี้โอเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้นะไม่ได้พระ อยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะพระพร ะ, พระเจ้าไม่ให้มีเรื่องพวกนี้เอา้าตายหาแล้วแล้วกูอยู่มาค่อนชีวิตอะเนี่ยเปรียบอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าปู่คุณทวดเราอะเอางี้อะมีอาชีพทำนาพอทำนาเสร็จ มีเราเป็นลูกเนี่ยูกตัวอย่างมีเราเป็นลูกก็สอนวิชาการทำนาให้กับลูกให้พรามาหนึ่งเล่มจอบหนึ่งเล่มเสียนเสียมหนึ่งเล่มแล้วก็ที่แปลงหนึ่งบอกว่าทำนาเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไปทำไอ้เราก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือได้ที่ดินได้วิชามาเราก็ทานาพอทำนาเสร็จไอ้เราก็ มันทำมาค้าข oh ึ้นไว้เราก็ไปซื้ออีกแปลงหนึ่งเราก็ไปขยายนาเอาไปอีกแปลงหนึ่งขยายอีกแปลงหนึ่งขยายไปอีกแปลงหนึ่งจากมีดจากพระจากเสียมเปลี่ยนมาเป็นวัวเป็นควายจากวัวจากควายเปลี่ยนมาเป็นรถไถเออจากอะไรมันเปลี่ยนประโยชน์ปรยชนต้นในที่สุดแล้ว ไอ้คันนาที่เราอยู่สมัยรุ่นชวดๆนั่นนะตอนนี้มันเป็นตึกแล้วเราก็จะไปอยู่แบบไอ้คันนาอย่างนั้นไม่ได้อพอมาถึงยุคนี้บอกเฮ้ยไม่เอาพวกมึงต้องทิ้งให้หมดให้เหลือแต่จอบแต่เสียมกับนาผืนหนึ่งที่ ท, ที่ที่ชุดมึงให้มานะ่ะ ไ, ไปอยู่แบบเดิมไปอยู่อย่างนั้นอะไรไอเราเข้ามานี่ไม่เคยไม่เคยเห็นนะ 30ิกว่าปีที่แล้วที่ข้ามามันไม่เคยเห็นอย่างนั้นเพราะนั้นวิธีการคิดและแก้ในเรื่องราวอะไรก็ช่างที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ว่าอปมาเดนะสัมปเดธะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะอันวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้คือเราต้องทำอะไรใครมีหน้าที่อะไรก็แก้กันไปเถอะแต่เรื่องสำคัญที่สุดต้นรนรงเรื่อง การเจริญสติต้องรณรงค์เรื่องการเจริญสติต้องรณรงค์ให้คนรู้เรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนานี่ให้เกิดความรู้จริงรู้จริงคือรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยรู้สามชั้นรู้ในส่วนเหตุรู้ในส่วนปฏิบัติการและรู้ในส่วนผลหมายความว่าต้องสอนให้เขาเนี่ยลงมือปฏิบัติมีความรู้ในการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติมันก็จะมีความรู้ในการประจักษ์ขึ้นมา ถ้ารู้แล้วก็รับรองได้ตอนนี้มันมีแค่รู้จักรู้จําแล้วเถียงกันอ้าววิเนยข้อนั้นชื่ออย่างนั้นวิเนยข้อนี้ชื่ออย่างนี้นอกจากวิเนยแล้วยังมีพรบรนอกจากพรบคณะสงฆ์แล้วยังมีกฎกระท ร, รวงนอกจากกฎกระทรวงแล้วยังต้องมีมติมหาธิรสมาคมนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชนี่รู้ส่วนเหตุทั้งนั้นแล้วก็มาเถียงกันเถียงกันนี่ต้องนี่ที่จับพระไปเนี่ยพระวินัยไม่อนุญาตนะ ที่จะพระไปแล้วไล้ศึกพระวินัยไม่อนุญาตแต่ทีนี้เราต้องปฏิบัติตั้งกฎหมายทั้งวินัยทั้งโน่นนี่นั่นไม่รู้แหะบางองค์ก็ควรจะศึกแต่บางองค์เทือดมาไ ม, ไม่ได้ไปเกี่ยวกับที่มีข่าวนะแต่วินัยไม่อนุญาตให้กฎหมายใดๆ ไ, ไปจับพระศึกพระศึกต้องมีองค์เงิสมบัติตามพระวินัย ก็เป็นหน้าบาัตรบาราชิกหรือถ้าเป็นพฤกผิดเป็นอาจินอะไรต่างๆเนี่ยได้แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเราที่เป็นอยู่นะจะมาเที่ยวโต้ว่าเออไ ป, ปลปกป้องพวกเดียวกันไม่ใช่อแต่ว่าถ้าเป็นอย่างงี้จับนี่ไปชวงศาลศาลบอกไม่ให้ประาการันต้องสึกอย่างเดียว ต้องสอย่างเดียวปิดว่าวยัง ไ, ไม่รู้เลยยังไม่ได้ตัดสินเลยใช่ไหมไอ้แบบนี้วิัยไม่อนุญาตวิ น, นัยนนี่นางภิกษุณีท่านหนึ่งพอบวชบวชมาแล้วเธอท้องนั่นแล้วถ้าเป็นสมัยนีย้มันศึกตั้งแต่นนแล้ว พิ่ตูนีรูปหนึ่งอะบวชแล้วเธอท้องพอท้องเสร็จแล้วแต่พอเอกแ ก, แกโชคไม่ดีแกไปอยู่ขวั่งของพระเทวทัตไงพระเทวทัตนี่เป็นพวกนักสร้างภาพคือเพื่อให้ตัวเองดูดีดูเคร่งมากกว่าขวั่งของพระพุทธเจ้าพอได้ข่าวว่าหุ่นทองนี่โอ้ยสังทึกเลยทึกทึกทึกึกกกกกมีอยู่เมีอยอยู่เสียภาพพดหมดโอ้ยเดี๋ยวญาติโยมที่บุกคุณหญิงคุณนายเศรษฐีไง ท, ที่อ่า อาซิเมอซ้อต่างๆทัง้งหลายที่เป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดกด็หนีกันหมดเลยน้องพี่ที่ต้องไล่ไล่ไลแมวึกพิจุนีท่านนี้เธอนึกในใจว่าเธอบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อมีพระเทวทัตเป็นที่พึ่งเธอบวชเฉพาะต่อพระศาสดาจะศึกหรือไม่ศึกเธอต้องไปกราบทูลต่อพระศาสดาไปหาพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ศึกเด็กแต่ให้ตั้งคณะกรรมการอื เรียกว่าคณะกรรมการตุลาการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบไปด้วยคณะพุทธบริษัทในนั้นจะมีบุคคลและพระภิกษุที่เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูงในฝั่งพระที่เชี่ยวชาญเรื่องพระวินัยก็มีพระอุบาลีพระอุบาลีนี่คือเชี่ยวชาญเรื่องพระวินยัยในฝั่งคารวะเนี่ยมีพระราชามี เศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตั้งคันเรื่องการคลอดเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ไปประชุมทำงานกันเพื่อหาบทสรุปมามาเพื่อเป็นคำพิพากษาพระพิจักจะไม่แสดงพระองค์เข้าไปเกี่ยวพันในที่สุดบทสรุปรงปมาว่าผู้หญิงคนนี้ท้องก่อนเก้าประวุ บวชเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรถ้าเป็นสมัยนี้มันจะรอดไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้คาพูดที่เขาบอกว่าละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนน่ะก็คือคำพูดนี้เรื่องจริงแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรจริงๆเพราะว่า กลไกของธรรมาชาติทำงานตลอดเวลากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยทำงานตลอดเวลาในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันต้องธรรมชาต i mean ิจริงๆมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาต i mean ิและกฎเกณฑ์นั้นมันมีหน้าที่ของกฎเกณฑ์แต่ละกฎเกณฑ์อยู่และหน้าที่นั้นจะทำงานตัวมันเองตลอดเวลาและมันจะมีผลของการทำงานของหน้าที่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้น เกิดขึ้นตลอดเวลาไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปกระทบใครนะเอาเฉพาะพวกเราที่นั่งอยู่ในในีน้น20ยี่สิบกว่าคนสามสิบคนเนี่ยว่าต้องหัดวางท่าทีตัวเองให้เป็นอย่าไปตกหลุมเขาบางคนนั่งไหว้พระถวดมนต์นั่งสมาธทิทุกวันทุกวันที่บ้าน พอไปดูข่าววันนี้ดูละครดีกว่าใครเสียฮะเราเสียไปนั่งดูข่าวแล้วข่าวเดี๋ยวนี้นะนักข่าวอ่ะโอ้โหมันก็ฮะไม่รู้อ่ะแต่ว่าไอ้คำพูดคำจาที่มันใช้นี่ อนนมาถึงบอกว่าเรากำลังเอาปืนกลยิงเห็บที่มันเกาะอยู่หลังฝ่ายด้วยความรู้สึกว่าเห็บมันไม่ดี ความหมายอีกอันหนึ่งที่โบราณชอบว่าลิงรักเจ้าของเอาท่อนไม้ไปตียุงที่เกาะอยู่ที่หน้าผากเออแต่ก็เอาเอพูดได้พวกเราควาังว่าพวกเราอยากไปเที่ยวหลงกลแต่แต่ขณะนี้ไม่มีหรอก ให้มันรู้สึกให้ได้ว่าจาับใดที่รู้สึกว่าเรายังไม่ตายนะเรายังไม่ตายยังมีชีวิตยอยู่ให้เอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตให้ได้นั่นแหละทํามันทันทีที่รู้สึกตัวแล้วเราจะคุ้มค่ามากแต่ความจริงเรื่องในวันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดเนี้ย ตั้งใจมาชวนพวกเราคุยกันเรื่องของพระพุทธเจ้าว่าในระหว่างเนี้ยใกล้จะถึงเนี้ยมันเป็นอัธมีบูชาให้ให้ดูว่าคุณค่าของคําว่าพระพุทธเจ้ามีความสําคัญต่อโลกมากมีความสําคัญต่อเรามากแล้วเราก็นอกเหนือจากไอการ การที่ว่าไม่ประมาทใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วเนี่ยเราจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างไรสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเราจะต้องปรับอินทรีย์คือพัฒนาอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรอินทรีย์คือคุณสมบัติของใจมีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้ มันจะเป็นคุณสมบัติของใจสำหรับที่จะประคับประคองใจของเราไม่ให้เกิดความประมาทหรือให้คงอยู่กับความประมาทมันจะเกิดความปรารบความเพี่ยนศรัทธาของเราต้องเชื่อในเรื่องสองเรื่องหนึ่งเราจะต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ, นเรื่อยๆต้องเชื่อมใจของเรากับคาว่าพระพุทธเจ้าให้ได้ ให้สนิทมากขึ้นเรื่อยๆให้สนิทมากขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องรู้สึกไงได้ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราจริงๆด้วยการยกเรื่องราวของพระองค์เนี่ยมาพิจารณาอยู่บ่อยๆเราจะมาพูดหลายครั้งหลายคราวการปรับอินทรีย์พัฒนาอินทรีย์ตรงนี้เป็นสําคัญมากกับการที่จะทําให้เราไม่ประมาทและจะเริญสติของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง แล้วในที่สุดเราก็จะเกิดความฉันทะคือมีแก่ใจในการที่จะเจริญสติของเรานการพัฒนาปรับปรุงอินทรีย์ของเราเนี่ยให้ศรัทธาของเรามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยการพิจารณาเราดูคําสวดบนที่เราสวดบางกลุ่มบางพวกก็บอกว่าไปตรวดธรรมมิลไอ้ที่คํามนที่เราสวดเนี่ยนัตติเมสรณังอันยังที่ทพึ่งอย่างอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พุทธังเบสรานังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าเนี่ยเขาเขาเาแต่งขึ้นมาก็จริงแต่เขาแต่งขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นที่พึ่งต่อใจจริงๆเราก็ต้องรู้สึกได้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต่อใจของเราแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันน้อยมันน้อยมันก็เลย ต้องวิ่งหาสิ่งอื่นไปก่อนคือรู้สึกพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ความรู้สึกนั้นมันน้อยพอความรู้สึกนั้นมันน้อยมันเลยทำให้เราต้องวิ่งหาสิ่งอื่นไปด้วยวิ่งหาสิ่งอื่นเพื่อเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองอยู่รอดได้แต่เมื่อเราปรับอินรีเพิ่มพูนอินรีก็คือเพิ่มพูนกาลังของใจที่ชื่อว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ การที่เราจะต้องเลี่ยงวิ่งหาสิ่งอื่นอื่นมันก็จะน้อยลงน้อยลงถ้าเราสังเกตถ้าเราทำอย่างนี้จะรู้สึกวันวันในหัวใจและมันยิ่งยิ่งหนักไปกว่านี้อีกองละตอนนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้เชื่อหลวงพ่อไม่เป็นเลยพอกลับมาทชื่อแม่มั่งแม่แคว้นมั่งแม่ของลูกแม่ของเพื่อนลูกมั่ง โดยเฉพาะพวกเจ้าวิธีต่างๆอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะคนอยู่แล้วไม่มีความสุขนะเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะเจ็บโอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดการพลาดๆโอ้ยวันนี้มันชงอย่างนี้มันเสียอย่างนู้นมันเอ้าไอ้นี่มันวันนี้มันเป็นวันอะไรวะชงกับคนปีจอวันนี้มันชงกับคนพีก่อนมันเยอะมากถ้าอินทรีย์ของเราไม่แน่นอนอ่อนแอเกิดอะไรขึ้นต้องปิด ไม่ให้หงพ่อรู้แล้วไม่ได้หนวงพ่อรู้เราต้องทํำยังไงก็ต้องไปแอบทําอย่างนั้นแอบทําอย่างนี้นี่เรียกว่าความไม่มั่นคงความอ่อนแอของอินทรีย์นั้นการที่จะปฏิบัติตรงเข้าไปหาในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้มันถูกต้องให้มันตรงประเด็นเนี่ยต้องปรับอินทรีย์ของเรา อินทรีย์คือสตาร์ที่ว่านอกจากเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วต้องเชื่ออะไร mm hmm. เมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้า <cas> สังเกต <ẫ oding> ความเชื่อที่มีต่อพระพุทธเจ้าถ้ามันมีมวลมากขึ้นมวลของความเชื่อมากขึ้นที่ใจของเรามันจะทําให้ใจของเราโ น, น้มเข้าไปเพื่อปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์มันจะทําความเชื่อนี้มันจะทําให้ใจของเรานี่โน้มเข้าไปเพื่อปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นี่เชื่อประการแรก เรียกว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าและเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัต t าเชื่อประการที่สองในเรื่องของยินสีคือเชื่อเรื่องอะไรกรรมและผลของกรรมนี่ที่ต้องเชื่ อ, อเวลาพระประพรมน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้สวดที่เราสวดกันอยู่เนี่ย เราบอกว่าโอ้ยมันดับเวนดับภัยตัดมารชุนักขัดตังชุมังกลังสุปปพาตังจุหุตทีตังเนี่ยมหาการน่ะนะพรมพุทมนต์นเนี่ยรู้ไหมเขาว่าอะไรไอ้พวกงโง่รกษกดียามดีมันจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่พวกเอ็งทำดี<อ>พูดดีคิดดีเข <c oughs> าว่ากันมันเหมือนก <c oughs> ับ เ, เหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งอาจารย์ธรจะมา ท่านเป็นสมัยก่อนว่าเขาจะเวลาทำมีจบใช่ไหมเวลาจะทำโรงเนี่ยโอ้โหมันต้องมีพิธีรีตองมากเลยไปถึงงไปเรียกหลวงพ่อมาเลยหลวงพ่อไปปิดขวาโรงหน่อยได้ได้ได้หลวงพ่อไปออกค้นไปถึงปิดขวาก็ตอบไอเราก็ไปถามเพื่ออยากได้วิชาหลวงพ่อหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อตอบหลวงพ่อว่าคาถาอะไรไอพวกโงูไอพวกโง่ ทำไมยรับพ่อไอ้พวกโง่พ่อแม่มันมีคุณจะตายมันไม่รู้จักมันยังกลัวอะไรพ่อแม่อุบติตรงไหนมันก เ, <อ> เ, เวลาที่มีความศรัทธาแล้วมันจะทำให้ก ล, กล้าแต่มันไม่ไปขัดใจกันหรอกอืมมันไม่ไปขัดใจกันหรอก เพราะฉะนั้นต้องปรับอินทรีย์ขึ้นมายกศรัทธาขึ้นมาเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นเป็นเป็นเชื่อประการที่สองนะการเชื่อกรรมและผลของกรรมนี่มันเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้ความเชื่อในส่วนนี้ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงแน่วแน่ในเส้นทางของชีวิต ทำให้การดําเดินชีวิตของเราจะดําเดินไปในเส้นทางที่ชื่อว่าสุคติคือทางที่ดําเดินไปแล้วมันดีงามสุจริต ด, ดีงาม mm hmm. เดือดร้อนเพราะเหตุอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ต้องไม่เดือดร้อนเพราะความชั่วของตนนี่เราจะต้องมั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรม เราพิสูจน์ความมั่นคงของเราตรงไหนความมั่นคงของเราต้องมีความรู้สึกว่าศีลเป็นใหญ่ในชีวิตนี่คนที่เชื่อเรื่องของกรรมจะต้องศีลเป็นใหญ่ในชีวิตอยากมีความอยากปกติอยากได้เนี่ยอยากได้ปกติแต่ถ้าความอยากนั้นจะไประเบิดต่อศีลต้องหยุดเพราะศีลเป็นใหญ่คนที่เชื่อกรรมจะไม่ปล่อยให้ความอยาก ระเบิดต่ออำนาจของศีลคนที่เชื่อกรรมจะไม่ปล่อยให้ความโกรธระเบิดต่ออำนาจของศีลคนที่เชื่อกรรมจะไม่ปล่อยให้ราคะระเบิดต่ออำนาจของศีลคนที่เชื่อกรรมจะไม่ปล่อยให้โบหะความหลงความเพลิเพลินระเบิดต่ออำนาจของศีล น, <S <S นี่มันก็จะทำให้นะภาระในการใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้น มาสุดจริตไอ้ที่เดือดร้อนทุกวันนี้ทั้งทั้งสองขวังสองข่ายที่เป็นข่าวดูดูข้อหาที่เขาว่าสิมันเกิดจากอะไรทุศีนทั้งนั้นถูกป่ามีข้อหาอะไรที่เขาบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นข้อหาที่มันประพฤติดีประพฤติชอบมันคงเบตามีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีไหมไม่มีมันมีแต่ข้อหาว่า ไม่ทุอมีแต่ข้อหายักยอกโกงเงินทอนทุจริตคอรัปชันโกงเงินหลวงมันมีแต่อย่างงี้ันนะไอ้ข้อหาที่บอกว่าสุจริตเบตตาเอื้ออารีมีน้ำใจเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์มันไม่มีหรอกข้อหาอย่างเงี้ยวันการดำเนินชีวิตที่ใช้ศีลของคนที่เชื่อเรื่องของกรรม มันทำให้การดำเนินชีวิตนี้ง่ายขึ้นอยากรวยก็รวยเถอะแต่ไม่ผิดศีลแม้จนก็จนเถอะแต่ท่านศีลมันก็เลยทำให้เกิดความสันติเกิดความสงบทำให้คนรวยคนจนอยู่กันได้ทำให้คนมีความรู้และคนไม่มีความรู้อยู่กันได้ ทำให้คนขี้เรศและไม่ขี้เรศอยู่กันได้ทาให้สังคมไม่มีความเหลื่อมลำ้ำความเหลื่อมล้าทางสังคมไม่เป็นเหตุแห่งความแตกแยกสีทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ว่าสีเหลืองหรือสีแดงอยู่กันได้สามีเป็นสีแดงภรรยาเป็นสีเหลืองอยู่ได้ไหมอยู่ได้ถ้ามีศีลเป็นใหญ่มึงเถียงกันดีเถียงกันแต่พอจะละเบื้อต่อศีลต้องหยุดไว มันผู้ที่เชื่อกรรมเป็นอะไรก็ได้เพราะมันจะดําเนินชีวิตด้วยมีศีลเป็นใหญ่ในชีวิตนี่เชื่อกรรมและผลของเพราะฉะนั้นในเรื่องอินทรีย์ข้อแรกต้องปรับขึ้นมาให้เขาแข็งแรงคือศรัทธาคือเชื่อในพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้ของเราให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเชื่อมใจของเรากับพระพุทธเจ้าให้สนิทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยนําพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาพิจารณาใคร่ครวญ อยู่บ่อยๆในสายปฏิบัติสายหนึ่งของวัดป่าที่ท่านให้ใช้บทภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันต้องแสดงออกเป็นการปฏิญญาของใจเราว่าเมื่อเรารู้จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสาเป็นครูเป็นบรมครูเป็นผู้มีพระคุณต่อเราแล้วเราก็ตั้งสัจจะปัญญาไป ว่าเราจะยกพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นใหญ่ในใจของเราเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นนายเราจะถวายชีวิตนี้แก่เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าเราจะเคลื่อนไหวชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการระลึกนึกถึงพระองค์ให้พระองค์เป็นใหญ่ในทุกๆุกของการกระทําแล้วเราก็เคลื่อนไหวในขณะเคลื่อนไหวชีวิตด้วยการระลึกถึงพระองค์อยู่สมส่ําเสมอว่าพุทโธพุทโธพุทโธ เอ่นึกถึงคำว่าพุทธนึกถึงคำว่าโททีคุณของพระพุทธเจ้านี่มันเชื่อมใจของเราแล้วก็มันจะเกลียวของความเชื่อมันก็จะจะเริญขึ้นรีกว่าอินรีก็ปรับให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เรียกว่าปรับอินรีสิบเอวง15 พาคเจ้านี่ความจริงตั้งใจจะมาพูดจัก2ีมานาทีแล้วจะพาปฏิบัติกันนะเนี่ยแต่ยกไปภาคบ่ายเลยพุดวันนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องโอกาสอัตมีบูชาในวันถวายพระพุทธตะเพลิงพระพุะทธสรีระนะให้พวกเราปรับความเข้าใจของตัวเองถ้าทีของตัวเองต้องปรับทัศนคติให้มันถูกนะ กรรมไม่สามารถพูดได้ว่าไม่รู้กรรมไม่สามารถพูดได้ว่าไม่เป็นไรเราจะพูดคำว่าไม่รู้เราจะพูดคำว่าว่าไม่เป็นไรหรือเราจะพูดว่าอะไรวะสามรอเนี่ยนะไม่รู้ไม่เป็นไรอะไรวะ <mia? S 1> <Gente> พูดได้แต่แก้กรรมไม่ได้ มันต้องถามใจตัวเองว่าคำว่าโกงมีอยู่ในใจไหมถ้ามันบอกว่าไม่มีแล้วมันอธิบายได้หมดคำว่าช่อชนคำว่าทุจริทมันมีอยู่ในใจไหมถ้ามันไม่มีมันอธิบายได้หมดแล้วจะบอกว่า เมื่ออินทรีย์เข้มแข็งแล้วมีศรัทธาเข้มต่อพระพุทธเจ้าที่มีเกลียวศรัทธาเยอะแล้วกำลังเงินศีลตั้งมันแล้วเนี่ยมันจะอาจหานแก้วกล้าไม่สะทุกสะทานพระพุทธเจ้า แก่นของพุทธศาสนาในมหาสารรปรมาสูตรสองสูตรเนี่ยมหาสารรปรมาสูตรกับจุลสารรปรมาสูตรจัดเปรียบเทียบเรื่องแก่นพระพุทธศาสนาว่าต้นไม้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยใบกิ่งประกอบไปด้วยสเก็ต สเก็ตรู้จักไหมสเก็ตเป็นเปลือกอยู่นอกเปลือกอะ่ะเขาเรียกว่าสเก็ตสเก็ตมันแข็งๆข้างนอกสเก็ตเสร็จแล้วก็เปลือกเปลือกแล้วก็เข้าไปในเปลือกก็เป็นกระพีเข้าไปในกระพีแล้วก็เป็นแก่นอืม ทรงจัดว่าผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมวิไนน์นี้เข้ามาถึงแล้วรักษาศีลพอรักษาศีลเสร็จแล้วพอเข้ามาบวชอมผ้าอมเหลืองแล้วเนี่ยโอ้แต่ก่อนเป็นใครไม่รู้พอเข้ามาโ่มเหลืองโกนหัวโ่วมเหลืองแล้วมันก็มันมันเป็นอีกภาพหนึ่งใช่ไหมใครใครก็ไหวไว้แล้วก็ได้ลาบสการะหลงในลาบสการะ เพราะเข้าใจว่าศีลและพรหมจรรย์ที่ตนรักษานั้นพระตนมีอย่างนี้แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นยินดีพอใจอยู่กับลาภสักการะที่ตนมีแล้วก็หยุดอยู่ที่ศีลนั้นและในขณะเดียวกันก็ไปตําหนิผู้อื่นอยู่บ่อยๆที่ของไม่มีศีลหยุดอยู่แค่นั้นนั่นคืออะไรนั่นเส้นทางการปฏิบัติของตนหยุดติแล้ว คนคนนี้เป็นได้แค่ใบและกิ่งของมันต้นไม้แต่ถ้าว่าเมื่อเข้ามาแล้วอยู่ในศีลในธรรมแล้วมีราบสการะแล้วเห็นคุณของศีลไม่ยินดีไม่ติดอยู่ในราบสการะนั้นมุ่งมั่นต่อไปอีกเอาจิตที่มีศีลอบรมแล้วจเจริญสมาธิ พอนั่งปฏิบัติสมาธิเข้าก็เข้าใจว่าสมาธิของตัวเองแน่กว่าคนอื่นยึดติดกับสิ่งที่ตนเองเป็นไม่พัฒนาเข้าไปอีกเพราะนั้นก็จะเป็นพวกแค่สะเก็ดเป็นแค่เปลือกแต่ว่าอีกพวกหนึง่ง ไม่ยุดติดตรงนั้นไม่มีความยินดีหลงไหลอ ย, อยู่ในสิ่งที่ที่เป็นนักนณะนั้นก็มุ่งปัฒนาปฏิบัติเข้าไปอีกจนจิตเกิดความตั้งมั่นลงเข้าไปถึงความกับเีแล้วจนกระทั่งเกิดเป็นญานณทัศน์เข้าไปสู่แก่นแล้วพอเข้าไปถึงญาณทัศน์แล้วเนี่ยจะบังคับหรือไม่บังคับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มันก็จะเกิดเป็นนิพิทานิพิทาแล้วจะบังคับหรือไม่บังคับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็จะเป็นวิราคะวิราคะนี่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็จะเป็นวิมุตตินี่ในในเส้นทางตรงนี้มันจะต้องประคองใจของเราเนี่ยเดินขึ้นไปอย่างต่อเนื่องกับอินทรีย์ที่ชื่อว่าศรัทธา พอมีรับสกาการะติดรับสกาการะก็ตายอ๋อเลยก็ปล่อยอีกปล่อยตัวเองปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วไปติดใจในความปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในรูปแบบที่มันเป็นนั่งก็ตายตายเหมือนกันตายไม่หมดอนะอันนี้มันมันเป็นเรื่องกรรมและผลของกรรมเรียกว่าเป็นสัจจะของการกระทาที่ว่าอยู่เนี้ย แต่ถามว่าใบไม้กิ่งไม้สำคัญไหมสเก็ตสำคัญไหมเปลือกสำคัญไหมกะพีสำคัญไหมไม่ใช่สำคัญเฉพาะแก่นเด้ต้นไม้ต้นไม้จะอยู่มีร่มเงารุ่งเรืองได้ต้องมีใบที่สมบูรณ์กิ่งที่สมบูรณ์สเก็ตที่ดีเปลือกที่สมบูรณ์ กับพีที่ดีเพราะต้นไม้ใดไม่มีใบไม่มีกิง่งเป็นไงก็นึกภาพออประกอแล้วกันต้นไม้ใดไม่มีสะเก็ดไม่มีเปลือกไม่มีกะัะพีเป็นไงอยู่ไม่ได้เพราะนั้นทุกองค์ประกอบเหล่านี้มันสำคัญไม่ใช่เอาแต่กแกนนย่บางคนนึกว่าซาลนะ โอยอันนี้ไม่ใช่แกนไรสาระทิงทิงท้งทมันทิ้งไม่ได้นะแต่มันต้องมีท่าทีที่ถูกต้องมันไม่ใช่ถูกต้องมันไม่หมายว่าทิ้งนะถูกต้องไม่ได้หมายว่าทิ้งนะท่าทีที่ถูกต้องสำหรับที่จะให้ต้นไม้คือพระพุทธศาสนานี้อยู่ได้ท่านในเรือนใจของเราเราก็จะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องสำหรับให้เส้นทางของมรรคปฏิปทาของใจเรา ดำเดินต่อเนื่องไปได้ดันันสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นและต้องทําอย่างต่อเนื่องและทําบ่อยๆก็คือการปลูกอินทรีย์รับอินทรีย์พัฒนาอินทรีย์สั่งส่งเสริมสร้างศรัทธาขึ้นมาและศรัทธานี้ไม่ใช่มาเริ่มที่นี่ที่หลวงปู่หลวงพอ่อรูปใดรูปหนึ่งมันไม่ได้หรอกนะนั่นนะ่ะเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงถ้าใครไปยึดติดกับหลวงพอ่อองค์ไหนไปยึดติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะ นั่นเป็นสัญ ญ, ญาณของความหมายยะเพราะเราไปยึดในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะต้องทรงความศรัทธาของเราตรงต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นในส่วนที่เป็นบุคคลในส่วนที่เป็นศาาไปยึดอยู่ในตัวบุคคลท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้มานั่งร้องหหมร้องไห้กับการที่พระองค์หนึ่งตายมานั่งร้องห่มร้องไห้กับพระที่องค์หนึ่งศึกมานั่งร้องโหมร้องไห้กับพระองค์หนึ่งถูกจับไม่ได้หรอกนะ เพราะในเส้นทางของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับทุกทุกสภาวะและเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกเรื่องสิ่งของทั้งหมดเป็นเรื่องชั่วคราวเปลี่ยนแปลงตัวเองตามเหตตามปัจจัยตลอดเวลามันยึดไม่ได้อนุสัธ t าของเราต้องตรงต่อใครต่อพระพุทธเจ้าใส่บาตรต้องถึงใครถึงพระพุทธเจ้าพอใส่บาตรเรามุ่งตรงถึงพระพุทธเจ้ามันจะไป กระดากใจไหมกับการที่จะต้องใส่พระองค์หนึ่งที่เราสงสัยว่าเป็นตุต๊ดหรือเปล่า <c oughs> อะถูกปะละ่ะถ้าเรามุ่งตรงถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่กระดากใจมันจะไม่มีความรู้สึกอะไรในใจแต่ถ้าไปยืนนะแต่ามาคือเจอบ่อยมันอยู่กรุงเทพไปเดินใหม่ๆเนี่ย ไอ้เราก็เห็นเขาตั้งเก้าอี้ตั้งโต๊ะของอยู่ในนั้นเต็มมาเดินก็ไปก็นึกว่าเขาจะใส่บาทมาเดินก็ไปไปถึงหยุดนิ่งเขาเอามือไปหลังเดินหันทําเป็นมองไม่เห็นไอ้เราก็สงสัยว่าเขามองไม่เห็นย่างหน้าด้านยืนต่อยนึกว่าเขายังไม่หันมามองเราอานพองหันมามองอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีพระนิมนต์พระไว้แล้วค่ะเออเราก็เพิ่งรู้ บางคนก็เลือกนะเนนมาเนี่ไม่ค่อยใส่เด็กๆมาอันนี้ไม่ค่อยใส่ต้องใส่ลงกลมตาลงหูพ่อประจงประจำคือเรื่องพวกนี้นะมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วจะใส่แบบแล้วเวลาเราอธิษฐานนิฐานยังไงอธิษฐ า, า, านถึงก็มุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็เวลาใส่บาตรยกขึ้นมาอธิษฐานนะอธิษฐานอะไรขอให้ข้าพเจ้าจงได้โชคได้ลาบ จงมีนั่นมีนี่ไอเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิรู้เปล่ามันเป็นการลงทุนเกินเหตุของที่เรานำมาใส่บาทนะประมาณยี่0้าสามสิบหรือสี่สิบาทเรากาลังจะเอาอะไรก้อยข้าพเจ้ายัางถูกระวัลที่หนึ่งก้อยข้าพเจ้าได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกสิ่งที่ควรจะอธิษฐานคืออะไรให้มันยิ่งใหญ่ไปสาน เข้าที่ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี้ขอถวายในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาขออธิษฐานให้พระพุทธศาสนานี้จงดํารงยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ตราบนานเท่านานถ้าอธิษฐานอย่างนี้เป็นสังคขานเพราะอะไรเพราะเราไม่มุ่งเฉพาะต่อดองพระรูปใดรูปหนึ่งเข้าใจเปล่า เรามุ่งว่าให้ทานวัตถุของเรนี้เป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาพระสงฆ์เป็นผู้รักษาพระาศาสนาไว้ในขณะนี้เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ถ้าไม่มีพระสงฆ์พุทธศาสนานจะกะสาน ส, ส, สั้นเซนอยู่ยากเราก็บำรุงพระสงฆ์เพื่อให้มีเลือดมีเนือ้อสำหรับที่จะรักษาพรมจรรย์พาพระาศาสนาให้อยู่ตลอดกาลนานถ้ามุ่งไปอย่างนี้โอ้โหอ่า น, นยิ่งใหญ่แน่ แต่เราส่วนใหญ่มันให้ข้าพเจ้าน้องนี่นัน่น น, นูว่าไปเรื่อยเอามาแต่ละอย่างเนี่ยมูลค่าเกินสามสิบาททั้งนั้น <c oughs> อ้าจริงจริงที่เล่าให้ฟังอ่ะไอไอเศรษฐีก็ขอทานเคยได้ยินไหมเศรษฐีเช้าขึ้นมาก็จะทำใส่ใส่สาทานให้ทานอ่ะไม่ใช่ใส่าบาทให้ทานไก่ขอทานทุกวันให้กันจนสนิทแล้ว ขอทานก็มีความสนิทคุ้นเคยกับเศรษฐีเศรษฐีก็สนิทคุ้นเคยกับขอทานพอไปถึงเวลาทุกเช้าเศรษฐีก็จะให้สิบาทเช้าขึ้นมาก็สิบบาทแต่วันนั้นตรงกับวันพระพอวันพระเศรษฐีออกมาชาขอทานสงสัยก็เดินย่องเข้าไปได้ยืนเศรษฐีกำลังถือทูปเป็นกรรมยืนอธิษฐานขอใหข้าพเจ้าขายที่แปลงนั้นได้ได้มามื่นล้าน แล้วก็ขายตรงนั้นได้เขาทํำไ้นั้นได้ให้ได้อย่างนั้นอย่างขอทานมันก็ได้ยินอย่างนั้นค่อยๆถอยหลังชา้ชาๆเงียบๆไม่ให้เศรษฐีได้ยินกลัวเสียสมาธิออกมาถึงปิดประตูเสร็จเดินจากไปเลยเศรษฐีอธิษฐานในเสร็จเสร็จแล้วออกมาขอทานไปไหนวะชายคนชายวิ่งหาจนเจอพ่อป้ากลับมาเออทำไมไม่รอไม่เอาผมไม่เอาแล้วน้องทาไมอ่ะผม ท่านยังขาดเยอะมากผมไม <ları S 2> ่ขาดของผม1ิบบาทผมอยู่ได้ทั้งวันแต่ท่านหนูต้นขาดเป็นหมือนนั้นผมสงสารท่านท่านเอาตามหนูท่านทําสบายเพราะฉะนั้นเราต้องทำท่าทีของเราเนี่ยให้มันถูกนะ มีใสินแปดมักงไม่มีใช่ไหมมีไหมไม่มีสินแปดการปรับอินทรีย์จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะปฏิบัติในเส้นทางนี้นะโดยเฉพาะพอเรกคือศรัทธาพอศรัทธาแล้วทีนี้มันจะมาตามด้วยอะไรวิริยะวิริยะก็คือความเพียรความเพียรในส่วนไหนความเพียรในส่วนที่จัก เคลื่อนไหวการทําตามคําสอนของพระเจ้าเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นอันนี้แหละเป็นความเพียรถ้าศรัท ธ, ธาอ่อนความเพียรมายากฉั้นคนต้องปลูกศรัท ธ, ธาก่อนใครก็มาปลูกให้ไม่ได้แ ต, ต่คนอื่นมีส่วนอย่างอัตมามาพูดในายยมฟังวันนี้นะ่ะก็ยยมก็มีส่วนนะมีส่วนว่าเออเราจะต้องเออศรัท ธ, ธาเรามันน้อยจริงใครลองคิดดูคิดถึงใจตัวเองนะ ประศรัทธาเรามันน้อยจริงมันศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่จริงกราบพระไหว้พระเสร็จแล้วยังต้องเดินไปปล่อยปลาปล่อยเต่าอีก <c oughs> เอมีส่วนเท่านั้นนะมีส่วนที่จะให้เราผู้เรีนได้ฉุกคิดแต่การเจริญศรัทธาของเราปลูกสไตมันเข้มแข็งแข็งแรงเราต้องทําของเราเองแต่เมื่อศรัทธามันเพิ่มมากขึ้นมีมวลมากขึ้นมันก็จะน้มนําเข้าไปสู่ความเพียรความเพียรคือทําให้เราเคลื่อนไหวชีวิต นี้ในโลกใบนี้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วในที่สุดมันจะเกิดเพราะความเพียรเนี่ยจะทําให้เราทะลุเข้าไปสู่ความฉันทะฉันทะคือมันมีแก่ใจในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่มีฉันทะความเพียรยังไม่ทะลุเข้าไปสู่ความเป็นฉันทะมันมีข้ออ้างเรื่อยอะความมีแก่ใจมันก็เลยหาย ความมีแก่ใจไม่เกิดมีกำลังน้อยพอมันทะลุอาสุญฉันทะมันอย่างตอนนี้วันนี้ไม่ได้เหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้เป็นอย่างนู้นอ้างปรับบัญประการพิ่งเรื่อยมีข้ออ้างเรืยแต่เมื่อมันทะลุไปสู่ฉันทะความเพียรที่ทะลุไปสู่ฉันทะแล้วความมีแก่ใจมันจะเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีข้ออ้างมันจะไม่อ้างและมันจะไม่มีประเด็นของเหตุผลอะไร ที่จะมายับยั้งคัดค้านการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยโดยอำนาจของความเพียรจากความเพียรแล้วไปั่วอะไรอะไรอินทรีย์ดวงคือสติสติที่มีเรามีอยู่นี่แหละมันก็จะทำให้สตินี่เพิ่มขึ้นแล้วก็สมาธิก็เพิ่มขึ้น ปัญญาก็เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิมเนี่ยคิดดูดินะข้าวปลูกศรัทธาอย่างเดียวที่ให้มันถูกวิธีตรงต่อพระพุทธเจ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรรุป ข, ของพระเจ้าเชื่อกรรมและเรื่องผลของกรรมแค่สองอย่างเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นการปฏิบัติตามรวมความก็คือว่าเมื่อเราไปปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะทาให้ วิริยินรีคืออินรีคือความเพียนเพิ่มขึ้นถูกปรับขึ้นอินรีคือสติก็ปรับขึ้นอินรีคือสมาธิก็ปรับขึ้นอินรีคือปัญญาก็ปรับขึ้นและถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นอินรีเราไม่ได้ครับพัฒ น, นาเรานั้งจนก้นเป็นฝีแล้วก้นจะแตกแล้วเนี่ยเดินจนเท้าจะแตกแล้วเนี่ยแต่อินทรียังดังเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ปรับไม่ได้พัฒนามันได้อะไรไหม มันก็ได้นั่งได้เดินได้ยืนได้นอนนั่นแหละแต่มันได้ทําไม่ได้ยากยากเพราการที่จะได้ทําเข้าใจคําสอนของพี่เจ้ารับผลจากที่ในการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ได้จะต้องปรับอินทรีย์ของตัวเองไอ้เรื่องราวที่จะทําลายอินทรีย์ของเรามันมีศรัทธาที่เรามีอยู่เดิมความเพียรที่มีอยู่เดิมสติที่มีอยู่เดิม ส, สมาธิที่มีอยู่เดิม ปัญญาที่มีอยู่เดิมเรียกว่าอินทรีย์คุณสมบัติของใจเราตอนเนี้ยสิ่งที่จะมาทําลายอินทรีย์ที่มีอยู่นี้ ม, ม, ม, มันเยอะมากและเราไม่ยังไม่นอกจากไม่พัฒนาอยู่เฉยยังปล่อยให้สิ่งอื่นเข้ามาทำลายอีกคนบางคนมีศรัทธาอยู่แล้วมีไม่มากพอเห็นข่าวอย่างนี้เป็นไงหมดบางคนมีศรัทธามากพอเห็นข่าวอย่างนี้ลด บางคนอย่างผัวเมียเนี่ยอผัวกลวัดเมียไม่กล้วัดพอเมียไม่กลวัดพอผัวไปวัดทีก็มีปัญหาอยู่แล้วพอมีข่าวอย่างงี้เป็นไงเมียก็สแสดงออกมาเป็นทวีคูณผัวก็ต้องไปปรบกับพระอ่าเดี๋ยวนี้กว่าจะออกจากบ้า น, น, นทังทีต้องหลอกมันว่าหลอกมไม่ก็ต้องไม่ให้มันรู้มาวัด คือสิ่งพรานอกจากเราไม่พัฒนาอินทรีย์ของเราแล้วไม่ปรับอินทรีย์ของเราแล้วเราจะถูกสิ่งต่างๆทําทลายอินทรีย์ที่มีอยู่ด้วยเพราะนั้นเรื่องการปรับอินทรีย์ของตนจึงเป็นเรื่องสำคัญและอินทรีย์นั้นอาจาจะให้มูลค่าอยู่ที่สัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาและอินทรีย์คือศรัทธาที่เราจะต้องปรับ เราก็ต้องยกระดับขึ้นมาสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของพระพุทธเจ้าในส่วนของพระพุทธเจ้านี้คือเชื่อในพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกส่วนที่สองก็คือชื่อเรื่องของกรรมและผลของการกระทําแล้วเราก็จะดําเดินเข้าไปอย่างเข้มข้นมีความเพียรที่เข้มข้นและก็มีผลต่อสติมีผลต่อสมาธิและมีผลต่อปัญญา การเจริญสติการทำจิตภาวนาของเราก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนขอรับรองขอรับรองเรื่องนี้เชานี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติธรรมปฏิบัติไว้ในช่วงเช้าแต่เพียงเท่านี้